กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาภัยบุอ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเวลาที่เรามาพบกันในแต่ละครั้งแต่บ้งมีเรื่องราวที่จะมานำเสนอมากมายเลยข้าพเจ้ามาจัดรายการวิทยุทางสถานีแห่งนี้ก็ได้หลายปีแล้วนะเกินห้าปีลว เรื่องราวที่นํามาบอกเล่าให้ธรรมบุฟังฟังเนี่ยก็ยังไม่หมดประสูน ต, ต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็มีมากมายเรื่องราวที่สําคัญสำคัญทั้งส่วนที่เป็นคําอธิบายขยายความคิดว่าต้องอีกเป็นหลายสิบปีธรรมบุฟั ง, ฟงกว่าจะนํามาพูดคุยกันจนหมดครบถ้วนทุกเรื่องทุกราวแต่ว่าในแต่ละเรื่องแต่ละ ราวที่นำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังดิมันมีความสมบูรณ์เพียบพร้อมเหมาะสมครบถ้วนอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนี่คือลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเวลามีใครมาสอบถามเรื่องราวใดๆพระพุทธเจ้าท่านบอกหมดธรรมะหมดนี้เรื่องราวตรงนี้ให้ มันก็สาเร็จประโยชน์ในการสื่อสารในการสนทนาในเนื้อหาข้อมูลในครั้งนั้นนั้นมีเรื่องราวอื่นๆอีกไปที่นั่นที่นี่เมืองนั้นเมืองนี้คุยกับคนนั้นคนโน้นเรื่องราวต่างๆอาจจะเหมือนกันบ้างอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างแต่ก็จะมีความลงรับกันมีความสอดคล้องกันเราผู้ที่เกิดมาเป็นชนรุ่นหลังในตะวันคือ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีใหม่แล้วไม่มีใหม่แล้วมีเท่าที่มีอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเนี่ยถ้าไม่บางคนบางท่านก็ก็จะรวบรวมเป็นจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้เพื่อง่ายต่อการศึกษาอย่างเช่นเรื่องของอนุสติสิ่งที่จะทําให้สติเกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้สมอย่างตรงนี้หอย่างตรงนั้นเอามาจัด หมวดหมูร่รวบรวมกันจึงเรียกว่าเป็นอนุสติสิอย่างขึ้นมาอย่างนี้ก็มีหรื อ, อมีหลายเรื่องหลายอย่างที่มีอยู่ในพระสุดนั้นพระสุดนี้นำมาร้อยเรียงให้มีความสะดวกต่อการศึกษาศึกษาไปทําไมท่านบังศึกษาไปทําไมศึกษาเพื่อที่จะมารู้อริยสัจสนั่นเองรู้ไปทําไมอริยสัจสรู้ไปทไํา ไ, ไมรู้เพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์นั่นเอง แล้วทุกมันมีอยู่ตรงไหนทุกมันมีอยู่ตรงไหนคนที่รู้เขาก็รู้นะคนที่รู้นี่ก็ดีไปคนที่ไม่รู้ก็ต้องบอกให้รู้ว่าทุกที่มันมาในรูปของความแอบแฝงบางทีบางคนมีปัญหาก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาแล้วจนจะต้องมาบอกแจ้งแถลงการให้ทราบกันว่าปัญหาคืออย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้ทราบกันแล้วในคําสอนในตำบูฟังก็มีผู้สอนอยู่คนเดียว ใหมีความมั่นใจเลยว่ามีผู้สอนคนเดียวนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่คนอื่นเป็นผู้สอนไม่ได้ในศาสนานี้เพราะคำว่าศาสดาเนี่ยแปล ว, ว่าผู้สอนศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนใ น, นพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ว่าจะอยู่ในนิกายใดๆที่เบส มหายานเถราวาทวชิระยานธรรมยุทธมหานิกายประสงค์ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสาวกคือผู้ที่ฟังคําสอนของพุท ธ, ธเอาท่านว่ามายไงก็ว่าตามนั้นแล้วก็บอกต่อต่อกันไปในการบอกบอกต่อต่อกันไปโดยอัตถะบ้างโดยเพียญชนะบ้างเนี่ยก็บอกตามที่ผู้สอนก็บอกไว้แตามาฟังจะไปประเทศไหนก็ตามหรือไปทิศไหนก็ตามไปตามวัดตามวาเนี่ย เขาก็ยกพระพุทธเจ้ากันหมดใกรกําหนดบทเพยยี้ยนชนะทั้งอัตถะได้ใกล้เคียงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั่นก็เป็นความดีความงามของบุคคลผู้นั้นของสาวกคนนั้นเพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญง่ายๆท่านุฟังว่าเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทอันเป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านสอนเอาไว้แล้วนะเรื่องนี้คือหลักการที่สําคัญแล้วถ้าเผื่อว่าท่านบุฟัง มีข้อสงสัยหรือสิ่งใดๆที่ต้องการจะติดต่อถามกันมาก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าใบสนิยบัดได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์เข้าไปที่ piotama.com puredhama.com วันนี้เราก็มีคำถามมาจากคุณบุญส่งคุณบุญส่งนี่เขียนถามมาทางหน้าเว็บไซต์ถามว่าต้องการทราบถึงหนังสือพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่37อันนี้อยู่ในส่วนของอภิธรรมปิฎก คื่อคำพีที่เรียกว่ากาถาวัตถุประกอนแต่คุณบนญทรงก็ต้องการทราบว่าเป็นพุทธพจน์หรือไม่อยากต้องการทราบว่าเป็นพุทธพจน์หรือไม่อันนี้มาในส่วนของอภิธรรมปิดกเล่มที่สามสิบเจ็ดตำราที่ชื่อเล่มว่ากาถาวัตถุประกอบเป็นพุทธพจน์หรือไม่อันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ไปเปิดๆ ด, ดูทั้งังเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วยังอ่านไม่ถึงจุดนั้นอ่าน ส่วนที่เป็นวินัยปิดกก็ได้เกือบละเกือบจบละส่วนที่เป็นสุดตนตาปีดกนี่ก็ยังเหลืออีกกว่าครึ่งยังอ่านไม่จบเรื่องราวใดก็จะนํามาพูดคุยกับตัมบูฟังให้ส่งสองส่วนนี้ให้เรียบร้อยก่อนคือส่วนที่เป็นวินัยกับส่วนที่เป็นสุดตนตาปดกแต่เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะเชื่อมโยงได้ทีนี้ส่วนที่เป็นหมวดธรรม ล้วนๆเลยเนี่ยไม่ได้มีบุคคลไม่ได้มีสถานที่พวกนี้เขาก็จะจัดไปอยู่ในหมวดกองอภิธรรมนะครับเจ้าก็ไปหาข้อมูลมาว่าเอตัมราเล่มนี้ใครเป็นคนแต่งไว้เขียนไว้นพวกที่เขาเชื่อว่าตัมรากระถาวัตถุประกอบเนี่ยเป็นพุทธพจน์เขาก็มีนะมีผู้ที่เชื่อว่าอย่างนั้นด้วยมีเหตุผลยกมาหลายๆก็สืบเนื่องกันมาอย่างไรแต่งไว้ในสมัยไหน เือที่ว่าแต่งขึ้นใหม่เนี่ยนะท่านฟังนะก็คือว่ารูปรวมนะจากที่เขาได้ฟังมาแน่นอนว่าในสมัยพุทธกาลหรือว่าจนมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกก็ตามเถอะก็ยังไม่ได้มีการลงอักษรทําเป็นตําราคัมภีร์แต่ตำราคัมภีร์เนี่ยอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยนําเรื่องราวลําดับขั้นเหตุการณ์ตรงนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังในส่วนของที่ที่มาของอัตถคถาในเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้ว ว่าการลงอักษรที่จะบันทึกเก็บเป็นตําราเป็นหนังสือเนี่ยก็เริ่มมีมาในสมัยหลังๆประมาณสัก500หรือกว่านั้นที่จะมีการลงอักษรบันทึกเป็นตารากันปีมาเพราะฉะนั้นที่บันทึกมาเนี่ยจะบอกว่าเป็นคําแต่งใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่าอาจจะเป็นข้อมูลเดิมก็มีแต่พวกที่เขามีความเชื่อว่าอภิธรรมพิดกทั้งหมดเนี่ยเป็นพุทธพจน์ก็มี แต่พวกที่เห็นแย้งก็มีตะบูฟังพวกที่เห็นแย้งว่ามันไม่น่าใช่นะโดยเหตุผลนี้ๆๆและนี้แต่เขาก็ยกกันมาแต่ไม่ใช่เพระาะงี้ถูกบันทึกมาโดยพระองค์นี้พระองค์นี้มีพื้นฐานเบื้องหลังมาอย่างนี้ในมีทั้งสองฝ่ายแต่ทั้งที่เห็นด้วยว่ามันเป็นปพุทธพจน์กับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่ามันเป็นปพุทธพจน์ด้วยเหตุผลต่างๆทั้งสองฝ่ายมีหมดเลยตะบูฟัง เอาแล้วที่นี้เราจะทํำยังไงกันล่ะเนี่เราจะทํากันยังไงฝ่ายที่เห็นว่าใช่ก็มีฝ่ายที่เห็นว่าไม่ใช่ก็มีแต่บุฝังอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของอภิธรรมปิดกนะเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่ข้าพเจ้ายกคําถามของคุณรุ่งนภาที่เธอได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของสติแล้วก็มีคําอธิบายที่มาในกคำพีที่เรียกว่าปฏิสัมพิธามัช ซึ่งคำพีที่ชื่อปฏิสัมพิทามร์กเนี่ยอยู่ในหมวดของสุดบรรดาปิดดกด้วยซ้าพวกที่เขาเห็นว่าคัมภีปฏิสัมพิทามร์กเนี่ยเป็นคําของท่านพระสารีบุตรขยายความคําของพระพุทธเจ้าเอาไว้แเขาเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนเขาก็เอามาจากอัตถกาถาของปฏิสัมพิทามร์กนี่แหละมีคนเขียนเอาไว้บอกไว้ก็มีพวกหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันและมีตัมบูฟังนี่แหละที่ฟังรายการ ไปหาข้อมูลมาทางอินเทอร์เนต็ตแนักวิชาการฝั่งตะวันตกพวกที่ไม่เห็นด้วยว่าปฏิสัมพิทามาร์กนิมนไม่น่าจะใช่คําของท่านพระสารีบุตรโดยเหตุผลนี้นี้และนี้เขาก็มีความเชื่อกันแบบนี้ก็มีก็มีทั้งสองฝ่ายมีทั้งที่คิดว่ามันน่าจะใช่กับพวกที่มันไม่น่าจะใช่แล้วจะทํำยังไงกันล่ะที่นี้นี่แหละท่านผู้ฟังมันเป็นความข้าพเจ้าใช้คําว่า สวยก็แล้วกันนะเราเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่แล้วเราจะไปสอบถามให้ท่านว่าเอออันนี้มันใช่กันหรือไม่หรืออาจจะเมาไม่ได้ละส่วนไหนที่ใช่ส่วนไหนที่ไม่ใช่จะไปถามท่านเนีย่ยท่านก็ไม่อยู่ให้ถามแล้วจะมาถามพระมหาภัยบูร์โอ้เรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้หรอกท่านบวชข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง ก็ไปถามพระองค์นั้นพระองค์นี้เอาถาม4ีหรูปเอ๊ะแต่ละรูปก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนําเสนอข้อมูลที่เหมือนเหมือกันนะั่นแหละแต่บางทีก็ตีความต่างกันไปเอาแล้วที่นี้เราจะทํำยังไงคือมันเหมือนกับว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคำว่ า, างนะมีลูกเยอะแยะเลยแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยตายไปแล้วแล้วพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่ลูกก็ตามประษาอยู่กันตามยถากรรม คนหนึ่งว่าอย่างนี้คนหนึ่งจะว่าอย่างหนึง่งเออถ้ามันไม่ทะเลาะ ก, กันก็ไม่มีปัญหาล่ะแต่ถ้าทะเลาะ ก, กันแล้วจะทํำยังไงครูครบาอาจารย์บางท่านก็จะเห็นแตกต่างกันในทางทั้งที่สองฝ่ายก็จะมีความรู้มีความสามารถเขียนเป็นบทความบ้างวิเคราะห์ต่างๆมาบ้างตรงนี้ท่านผฟังคําแนะนําของข้าพเจ้าก็คือว่าก็ตัวใครตัวมันแต่ก็เาื่อตัวใครตัวมันเนี่ยคือไม่ใช่ว่าทอดทิ้งแล้วก็ไม่ใส่ใจนะ ตัใครตโวมั น, นี่เราเพึ่งตนพึ่งทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้นั่นแหละ น, นี้ก็จะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณคมสรรพอดีคุณคมสรรบอกว่าได้ฟังรายการธรรมรับรุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟังอยู่ตอนหนึ่งแล้วก็ได้มีความคิดคำถามความเห็นดังนี้ว่าในบทเพียรชนะที่เป็นคำของพุท ธ, ธในบางเรื่องบางราวเนี่ย ครูบาอาจารย์อาจจะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์หรือว่าเป็นกรวาธหรือใครก็าตามคในใดคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไปอ่านพุทธพจน์บทนี้เช่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้แล้วก็มีคนไปอ่านอ่านแล้วเขาก็มีความเห็นตีความได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้กลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งเป็นอย่างนี้เป็นกรวาธหรือเป็นพระสงฆ์ก็ตามแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งก็ไปอ่านพุทธพจน์บทเดียวกันอ่านพุทธพจน์บทเดียวกันแต่ว่าตีความหมายก็ ออกมาอีกแบบหนึ่งใน ต, ตีความไม้มีความเข้าใจไปในแบบที่สองอซึ่งทั้งแบบที่1่และแบบที่2งเนี่ยมันก็มีความดููดแล้วมันก็ขัดแย้งกันอยู่เหมือนกัน ท, ทั้งทั้งที่ทั้งสองฝ่ายก็กลับมาสู่ที่แม่บทเดียวกันแต่ว่าแปลความต่างกันโดยอัถามีความแตกต่างกันแต่โดยบทเพียนยชนะนั้นเหมือนกันในที่นี้จึงมีคำถามว่าไอความเห็นที่แตกต่างกันอย่างเนี้ย เป็นอนุสัยเป็นสังโยชน์อย่างหนึ่งใช่หรือไม่แล้วในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายที่เขามีความเห็นต่างกันอย่างเงี้ยจากบทเพียนชนะเดียวกันแต่ว่ามีอัธาดต่างกันผู้ที่เป็นฝ่ายที่สามเนี่ยควรจะรับฟังอย่างไรถึงจะสามารถรู้บรรลุถึงสัจธรรมได้ น, น, นี้ก่อนที่จะไปต่อกำตามของคุณกรมชันเนี่ยจบที่คุณบุญท่งก่อนนะว่าอันนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบแต่นะว่า แต่วไติดกเล่มที่37กระถาวัตถุประกอบเนี่ยเป็นพุทธวัตหรือไม่เพราะมีข้อมูลทั้งสองฝ่ายเราจะทํำยังไท ง, ทงทั้งทั้งที่สองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันนั่นก็จึงมาถึงคําถามของกุลขมสรรว่าบุคคลที่สอย่างเราๆท่านๆเนี่ยครูบาอาจารย์ฝ่ายนี้บอกว่ า, างี้ครูบาอาจารย์อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งทางัทานท่านที่มาจากแม่บทเดิมเดียวกันเราจะฟังอย่างไรใ น, นกรณีของทั้ง คุณบุญทรงและคุณขมสรรนะจะจัดการในสถานการณ์นี้อย่างไรในะคําตอบตรงนี้ท่านผู้ฟังเลยพระพุทธเจ้าตอบไว้ไแล้วนะเรื่องนี้ไม่ยากเลยท่านผู้ฟังในะถ้าท่านผู้ฟังไปอ่านในเนื้อหาของพระสูตรที่ชื่อว่ากินตะิสูตรกินติสูตรนะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่14บนสะเริ่มต้นที่ข้อ42กินตะิสูตรในวันหลังพระเจ้าจะ นำมาอ่านให้ตำฟังฟังๆจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เคยนํามาอ่านให้ฟังแล้วสัก2อปีก่อนหรือสองสาปีก่อนนักประพันธ์ได้ตรัสถึงสองฝ่ายที่เขามีความเห็นไม่เหมือนกันประเด็นของเรื่องนี้คือตรงนี้ตำรวว่าถ้าเขาไม่ทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่เขาไม่ทิมแทงกันไม่วิวาทกันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าแน่นอนบางคนก็เข้าใจจากแง่มุมนี้อีกคนหนึ่งก็เข้าใจจากอีกแง่มุมหนึ่ง ก็เข้าใจจากแง่มุมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีบริบทของการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมถ้าในบริบทอะไรล่ะที่ท่านพูดถึงอาจจะผลออกมาเป็นอย่างนี้อีกบริบทหนึ่งก็ต้องอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น ด, ดูอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่ได้นะเช่นการที่พระบุทตรชาบัญญัติวินยัยเฮ้บางเรื่องบางราวดูไม่หนักเลยนะแบบผิดเล็กๆน้อยๆแค่แต่ทําไมบัญญตัติบทบัญญัติที่มีความผิดมาก ประเด็นในเรื่องของกินติสุดก็คือว่าถ้ามีการตะเลาะ ก, กันถ้ามีการตะเลาะ ก, กันคือถ้าไม่ทะเลาะ ก, กันไม่มีปัญหาใช่ไหมเรารับข้อมูลมาจากฝ่ายไหนก็ตามเอาเขาไม่ตะเลาะ ก, กันก็ไม่มีปัญหาเราก็พึ่งตนพึ่งทำอันไหนเราปฏิบัติได้เข้าใจได้เราก็เอาอันนั้นเพื่อที่จะให้รู้ถึงเข้าใจในอริยะสั ส, สเราก็ทําไปแต่ถ้าทะเลาะ ก, กันปัญหามคือตรงตะเลาะ ก, กันนี่ตบองรพอทะเลาะ ก, กันแล้วเนี่ย าการที่จะมาทําในใจซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ทําได้ง่ายๆเลยเวลาที่ทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วเนี่ยการที่จะมาอยู่เสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าและป่าชัดเนี่ยจะไม่ได้ทําได้ง่ายๆเลยอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่าภายในอนาคตหประการหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการที่สงแต่กันมีความร้าวฉานมีการทิ่มแทงกันอาจจะกําลังจะแต่กัน หรือแตกกันไปแล้วอย่างทุกวันนี้มันแตกกันละตำรวจฟังวัชิรยานก็แบบหนึ่งมหายานก็แบบหนึ่งเทรวาดก็แบบหนึงหน่งนี่ระดับโลกเนี่ยเขาแตกกันเป็น3าแบบนี้เห็นได้ชัดเจนแต่ละแบบก็จะไม่ลงอุโบสถกับอีกพวกหนึ่งแต่ทั้ง3ามพวกเอ่ยกพระพุทธเจ้าเหมือนกันนักวิชาการเขาวิเคราะห์แล้วเขาก็เลยใส่ชื่อให้นะซึ่งในสมัยพุทธกาลไม่มีหรอกวัชิรยานมหายานหรือเทรวาดไม่มี ในสมัยพุทธกาลไม่มีเพราะว่าทุกคนยังนับถือพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้า ว, ว่าไงาก็ตามนั้นแต่พอมาเริ่มมีการแยกกันออกไปเนี่ยพวกนี้เห็นอย่างหนึง่งพวกนี้เห็นอีกอย่างหนึง่งมันก็แตกกันละพอแตกกันแล้วตรงนี้เลาท่านผู้ฟังทําให้การทําในใจซึ่งคําสอนเนี่ยมันก็จึงมีความสับสนสําหรับคนรุ่นหลังตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังเตาเป็นคารว่าเนี่ยเอก็เริ่มใสในคําสอนของพระพุทธเจ้ามันกันนะเออแต่ พระจีนเออสอนแบบนี้ไว้เออพระที่เบก็สอนแบบนี้ฮะเองพระไทยก็สอนแบบนี้เออแล้วแบบไหนมันถูกกันแน่ตัวเองข้าพเจ้าเองก็ยังสรรับสนเองเนี่มันมันมันเป็นอย่างนี้ไงเเราจะทําอย่างไรอ่ะที่เมื่อคราวที่สงแต่กันมาถึงแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้อันนี้คือที่ข้าพเจ้าบอกว่าตัวใครตัวมันเนี่ยนะคือพึ่งตอนพึ่งทำนะเพื่อที่ทําสิ่งที่ควรทําเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เือบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเนี่ยที่ว่าเมื่อเราบรรลุแล้วถึงแล้วทำให้แจ้งแล้วเนี่ยจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกได้เมื่อกล่าวที่สงแตกกันในตอนนี้มันแตกกันให้เห็นแล้วแยกเป็นสามฝ่ายใหญ่ๆ ใ, ในเมืองไทยก็ยังแยกกันไปอีกเอาเราจะปฏิบัติอย่างไรนะให้จิตใจของเรามีความผาสุกตอนนี้เรื่องราวที่เขาแตกกันทะเลาะกันมันจบแล้วก็เหลือเป็นร่องรอย ไ, อไว้แว่เรื่องแบบไม่เหมือนกัน คำสอนแตกต่างกันเอาที่นี้ไอ้คำสอนที่แตกต่างกันเนี่ยนะเรามาดูในกินติสูตรเนี่ยถ้าบอว่าไม่ได้ทะเลาะ ก, กันในประเด็นพระสูตรนั้นท้าไม่ได้พูดถึงก็ไม่มีปัญหาแต่แต่ถ้าทะเลาะ ก, กันถ้าตะลอะ ก, กันพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงว่าเอาถ้าฝ่ายไหนเขาบอกง่ายกว่ากันก็เข้าไปหาฝ่ายนั้นแโดยให้นึกถึงระลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์นี่แหละพุทธโธธรรมโมสังโฆเพราะว่าการที่เราบอกว่าเราจะนับถือศาสนาพุทธคุณยกพระพุทธเจ้าเอรากลับมาที่ตรงนี้ซะก่อนแต่ว่าธรรมะเนี่ยอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนตรัสไว้ดีแล้วใครก็ตามท่านฟังถ้าเขาไม่สําคัญร่วมไม่รู้ร่วมไม่พอใจร่วมแก่กันและกันว่าธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ย เขาจะทิมแทงกันเขาจะบาดหมาง ก, กันจะวิวาทกันด้วยหอกคือปากเพราะว่าเขาไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วแต่ถ้าเขาเห็นลงกันว่าเออนี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วนะสมบูรณ์บริบูรณ์บ ร, ริสุทธิ์สิ้นเชิงทั้งด้วยอาจตาและพะยัญชนะถ้าเขามีความสำคัญร่วมกันรู้ร่วมกันพอใจร่วมกันแก่กันและกันเนี่ยเขาก็จะไม่ทะเลาะกันจะไม่วิวาทกัน จะมีความร่วมเรียงกันบันเทิงต่อกันเข้ากันได้เหมือนกับน้ํำนมกับน้ำแล้วก็คือไม่มีปัญหาอันนี้ที่คุณคมชันพูดถึงเนี่ยคือทั้งสองฝ่ายถูกเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีมันมีแง่มุมที่ยังไม่ลงกันในทั้งสองฝ่ายก็ได้มีความสําคัญร่วมกันพอใจร่วมกันว่าเป็นธรรมารถประพุทธเจ้แสดงว่าดีแล้วอันนี้ก็ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันถ้าเขาไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหาเราต้องเอาตัวรอดของเราเองเราต้องพึ่งตนพึ่งถํา ประเด็นมนคือตรงนี้ท่านฟังว่าถ้าบอกว่ า, า, วาตีความผิดนะเช่นไฟได้ไฟหนึ่งตีความผิดหรือว่ามีความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือว่าไม่คิดว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าอาจจะ ก, กล่าวขาดไว้เอหรือว่าศึกษาไม่ท้วนทีไม่เข้าใจในเรื่องบริบทของภาษารักษาพระวัติต่างๆเนี่ยทให้มีความคลาดเคลื่อนไปในการศึกษา ยังไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบในทุกประสูน์ดังนี้นก็จะต้องเตือนกันปรับให้เขาเข้ามามีความเห็นที่ถูกต้องธรหมูก็ต้องช่วยดูแลรักษากันตรงนี้ทีนี้ประเด็นตรงนี้มันก็คือว่าในบางเรื่องเนี่ยธรรมูฝังอย่างการแปลคําศัพท์หรือว่าการเข้าใจความเนี่ยมันก็มีความหมายที่ลึกล้ําซ่อนเงื่อนอยู่หลายจุดซึ่งบางทีดู 2- องสามระสูต์เทียบกันเนี่ยอาจจะยังไม่พอ อาจจะงมีประสุทเรื่องราวอื่นๆอีกอย่างเช่นสมมุติว่าไฟาล์แรกในวิเคราะห์ว่าอย่างนี้ไฟล์ที่2ก็วิเคราะห์ว่าอีกแบบหนึ่งแตนะ่ซึ่งทั้งสองไฟล์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ถูกกันนะมีหลักการนะแต่ว่าผลออกมาทําไมไม่เหมือนกันต่างกันไม่ลงกันแล้วทอนี้ทำใอาจจะมีอีกเรื่องราวหนึ่งประสุทหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้ไปศึกษาศึกษาไม่ถึงหรือว่ามองไม่ได้ทั่วทีเนี่ยซึ่งจะเป็นบริบทที่ทําให้ไอเรื่องราวก่องทั้งฝ่ายที่1ที่เขาวิเคราะห์มาแบบนี้ ฝ่าที่สองที่เขาวิเคราะห์แบบแบบนี้ยมาลงกันก็ได้มันก็มีกรณีแบบนี้อยู่เหมือนกันดัที่ว่าจะต้องมีเรื่องราวที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นตัวแปรที่สามที่จะทําให้ความหมายของฝ่ายที่หนึ่งที่ใช้ตัวแปรหนึ่งความหมายของฝ่ายที่สองที่ใช้อีกตัวแปร1เนี่ยมาลงกันได้ด้วยตัวแปรที่สามนัคืออย่างเหมือนสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะท่าฟังนะถ้าคุณมีสองตัวแปร คุณจะใช้สมการเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องมี2 ส, สมการในการที่จะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องของอัลจีบ่าเรื่องของสมการเชื่อโยกานบางพระสูตรลหลายๆพระสูตรในมีความสอดคล้องลงรับกันให้บางเรื่องบางราวไอ้มันเหมือนขัดกันเอาแต่พอไปดูพระสูตรที่3อมออมันทําให้อันที่สองกับอันที่1เนี่ยมันรับกันด้วยข้อมูลอันที่3ามังนี้เราก็จึงต้องมีการศึกษาให้ทุนท่นดีบางดีบางเรื่อง มันยังไม่สามารถที่จะฟันธงลงใจไปได้ตอนนี้อาจะรอไปอีกสักหน่อยอาจจะดูจากสถานการณ์จริงหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมในความหมายในรากาพาบในการใช้งานก็จะค่อยเป็นค่อยไปประเด็นคืออย่าทะเลาะกันอย่าวิวาดกันให้มีความมั่นใจในคำสอนของพุทธหลักว่าท่านนั้นกล่าวไว้ดีแล้วอันนี้เราก็จะไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นในกรณีของฝ่ายที่3ฝ่ายที่3นะถ้ารับฟังดูแล้วถ้าเขาไม่ทะเลาะ ก, กันก็ไม่มีปัญหาอาจจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติ ม, เ พ, มเพื่อการที่จะให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในบางเรื่องในบางประเด็นแต่ถ้ามีการทะเลาะ ก, กันเราก็อย่าไปกินร่วมอย่าไปขัดแย้งร่วมนะหรือถ้ารอกว่าต้องการจะแก้ไขปัญหาเราเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการที่จะต้องแก้ไขปัญหา อันนี้วิธีการได้บอกไว้แล้วในกินติสูตรที่ว่าจะต้องเข้าไปหาฝ่ายที่พอจะบอกได้ก่อน่พูดได้ง่ายก่อนให้เขาเห็นลงรับกันว่าธรรมานิปพระพุทธเจ้าได้ตรัสไปบอกไว้ดีแล้วแล้วก็อย่าทะเลาะวิพากษ์กันแล้วก็จะกลับมาในกรณีแรกที่ว่าเห็นต่างกันก็จริงแต่ก็ไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันในข้คอสามที่3ของวันนี้ท่านผู้ฟังมาจากคุณหน่่ยทัศนัยอันนี้ตามมาที่ตัวพระสูตรตัวแม่บท ที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาเวทละสูตรเป็นเรื่องที่ท่านพระโกติกะกับท่านพระสารีบุตรได้สนทนาตามกันแต่มีจุดหนึ่งที่คุณหนุ่ยทัศนัยได้ถามมาในที่นี้บอกว่าบุคคลที่เข้าสัญญาเวทายตะนิโรธอันนี้เขาระบุไว้ในพระสูตรนะว่าบุคคลที่เข้าสัญญาเวทายตะนิโรธเนี่ยจะมีกายแสังขารวจีสังขารและจิตสังขารระงับไป แต่ว่ากายนั้นยังมีไออุ่นในขณะที่ถ้าคนตายคือคนตายเนี่ยก็กายวาจาใจก็ระงับแต่กายไม่มีไออุ่นแล้วในะมีความแตกต่างกันตรงนี้นั่นะคือบุคคลที่เข้าสัญญาเวทายตะนิรรธเนี่ยมฟังเป็นสมาธิขั้นที่สูงที่สุดเลยนะในกาอธิบายท่านก็จะอธิบายว่าต่อให้ไฟไหม้ภูเขาสิเนรุมาทับหินถล่มใส่ก็จะไม่ได้รับความเจ็บปวด นั่นคือแข็งไปเลยอะไรจะทำลายไม่ได้ในช่วงนั้นแต่ก็ไม่ตายนะแต่พูดไม่ได้ยกไปก็ไม่ได้ไฟไหม้ก็ไม่ได้แต่กายยังมีไออุ่นแต่ถึงเวลาเขาก็จะออกมาเองอันนี้เป็นความพิเศษในวิสัยของผู้ที่ได้ฌาน ใ, นในคำถามที่นี้ก็คือว่าทําไมผู้ที่ตายไปมีไออุ่นสงบแต่ว่าผู้ที่เข้าฌานสมาบัติในขั้นสัญญาเวยายทยยตนิโรดเนี่ยยังมีไออุ่นอยู่ เอาอันนี้ก็คือข้อแตกต่างที่ท่านชี้ให้เห็นไงเปรียบเทียบให้ดูระหว่างคนตายว่าตายแล้วไออุ่นมันดับไปไออุ่นดับไปนี่ก็เพราะว่ากรรมมันสิ้นสุดลงไปแต่ในขณะที่ผู้ที่มีสัญญาเวทายตานิโรธไม่มีกรรมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าต้องเป็นคนที่ในอยู่ในระดับอนาามัยหรือพระอารหันเนี่ยกายยังมีไออุ่นอยู่อันนี้เป็นลักษณะวิสัยของผู้ที่ได้ฌานด้วยตะบูฟังบางที วิสัยของผู้ที่ได้ฌานเนี่ยเราไปใรกล้กลรนไม่ทําไมมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างเงี้ยจะไม่ถึงความเป็นบ้าก็มีอันนี้ที่เรื่องที่จะไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วจะไม่ถึงความฟุ้งซ่านหรือว่าความเป็นบ้าได้เนี่ยนี่คือหนึ่งในเรื่องนั้นนี่คือวิสัยของผู้ได้ฌานอีกอย่างหนึ่งก็คือวิสัยของพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องผลของกรรมเอ om, ว่าทาไมฉันทําความดีแล้วฉันไม่ได้รับผลดีหรือนี่ทำไมทําความชั่วดได้รับผลชั่ว การที่จะไปคิกไคร่กรวนหาเหตุผลเนี่ยบางทีมันก็จะให้เกิดความสงสัยงุนงงยิ่งมากขึ้นไปเพียงแต่ให้เรามีความมั่นใจในเรื่องของการทําความดีในเรื่องของพระพุทธประรมประสงค์การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี้ยโอเคละในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องของวิสัยของผู้ที่ได้ฌานแล้วก็จะมีความพิเศษตรงเนี้ว่ากายยังมีไออุ่นก็ยังไม่ตายนเนาะกายก็ยังมีไออุ่นอยู่แต่ว่าคนตายเนี่ยไม่ฟื้นละ กายมันก็เย็นลงาธาตุไฟตั้งอยู่ไม่ได้แต่คนที่จะยังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมีาธาตุไฟคือความร้อนอยู่ในกายในขณะที่อยู่ในสมาธิเนี่ยเหมือนคนตายเลยยกเว้นแค่ว่ากายยังอุ่นอยู่และพร้อมที่จะฟื้นขึ้นมาได้เมื่อออกจากสมาธินั่นเองวันนี้ก็มี3มคำถามที่นํามาตอบให้นักบุฟังฟังในวันนี้แลแต่ถ้านักฟังยังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆทีดต้องกาทักท่างรายการมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปษณียบัตด ไปที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีระอว่าาสะดวกทางเว็บไซต์ก็เพียวธรรมทคอมพูร e ี m เฮชเอวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญพภิปุณโณจิลปอน